เรื่องให้ส่วนพิเศษสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะรีบเดินทางไปกับส่วนพิเศษภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้มอบส่วนพิเศษในเมื่อให้สิ่งทดแทน